ความโกรธของพระอรหันต์มีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าจิตของพระอรหันต์ยังมีสัมปยุทธ์กับอายตนะต่างๆอยู่หรือหลวงพ่อตอบว่าก็สัมปยุทธ์อย่างธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ตัวกิเลสมันไม่เกิดพระอรหันต์ก็โกรธเป็นมีคนถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่โกรธเป็นไหม หลวงปู่ตอบว่าเป็นแต่ไม่เอาคือความรู้สึกหงุดหงิดมันมีอยู่นี่ท่านตอบอย่างที่ท่านไม่ได้สำคัญตัวว่าเป็นพระอรหันต์ทีนี้ความรู้สึกหงุดหงิดนี่มันหมดไปตั้งแต่ชั้นพระอนาคามีที่ว่าพระอรหันต์โกรธเป็นเนี่ยท่านแต่งความโกรธขึ้นมาใช้กับคนบางคนเช่อนอย่างพระวักกะลิมานั่งมองพระพุทธเจ้าอยู่วันยังค่า พระองค์ก็ปล่อยให้มองอยู่นั่นแหละทีนี้พอเห็นว่าบารมีของท่านวาัคคะลิอินทรีแก่กล้าพอที่จะสําเร็จมากผลพระองค์ก็ ท, ทําทีเป็นโกรธเธอจะมานั่งมองฉันทําไมมานั่งดูร่างกายอันเน่าเปื่อยผุพังของตถาคตเพื่อประโยชน์อะไรจะไปไหนก็ไปพระวัคคะลิเกิดน้อยใจว่าพระพุทธเจ้าไล่จะไปกระโดดเหวตายพอรู้ว่าเขาจะไปกระโดดเหวตาย ก็แสดงฤทธิ์ไปสกัดเอาไว้วักกะลิเธอจงมาดูตถาคตให้เต็มตาว่าแล้วก็เทศให้ฟังพระวักกะลิก็ได้สำเร็จอรหัน สร้างบารมีเพื่อพึ่งตนเองพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้สร้างกายสร้างจิตของเราให้มีสมรรถภาพมีพลังเป็นของของตนโดยไม่ต้องไปอาศัยพลังจากอินพรมยมยักษ์ที่ไหนเพราะว่าผู้ที่เกิดเป็นพระพรหมได้ต้องอาศัยคนสร้างพลังจิตในมนุษย์เพราะฉะนั้นในเมื่อพระพรหมเนี่ยเกิดจากมนุษย์ เรื่องอะไรที่จะขอบารมีของพระพรหมมาช่วยมิแต่เราจะสร้างบารมีของเราให้มันมากขึ้นมากขึ้นไปนั่งแข่งกับพระพรหมบนสวรรค์เอาอย่างนี้ดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านมีอุบายสอนคนเราให้สร้างอำนาจขึ้นเพื่อช่วยตัวเองแต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อให้คนอื่นเห็นใจแล้วมาช่วยเราเพราะถ้าเราไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเมื่อเขาใจดี เขาก็ช่วยเราในเมื่อเขาใจไม่ดีเขาก็แช่งชักหักกระดูกให้เราชิบหายวายป่วงเพราะฉะนั้นเราควรจะสร้างของเรานี้ใหมีพลังมหาสารขึ้นมาใหพึ่งตัวเองให้ได้เราไปขออำนาจหรือความดีจากคนอื่นก็เหมือนกันกับเราไปขอสตางค์คนอื่นมาใช้นั่นแหละ ถ้าหากว่าเขาใจดีเขาก็ให้เราถ้าหากใจไม่ดีหน่อยให้แต่เขาด่าส่งทีนี้ถ้าเขาใจร้ายถึงที่สุดแล้วนอกจากเขาจะด่าแล้วเขาไม่ให้เราด้วยแถมไล่ลงบ้านไปด้วยทีนี้เมื่อเราไปขอจากผู้วิเศษทั้งหลายก็เหมือน ก, นกันกับขอมนุษย์นี่แหละแต่ถ้าเราสามารถสร้างพลังเป็นของเราเองพระอินทร์พระอิศวรพระนารายณ์ ก็ทำลายของเราไม่ได้แล้วถ้าเรามีดีพร้อมแล้วไม่มีใครที่จะคิดทำลายเราเพราะความดีของเราเนี่ยมีอิทธิพลสามารถที่จะคุ้มครองผู้อื่นได้ด้วยไม่เฉพาะแต่จะคุ้มครองตัวเราเองเช่นอย่างคนมีศีลธรรมมีความเย็นเนี่ยไปที่ไหนไปที่ไหนไปอยู่ร่วมกับมนุษย์เขาก็รู้สึกเย็นเย็นไปอยู่ในป่าพูดผีปีศาจมันก็รู้สึกเย็นเ็น อย่างบางคนร้อนๆมาโอ้ยมันนั่งอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมันเย็นสบายไม่อยากลุกเขาว่าอย่างนี้